อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นคนันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นคนันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นคนันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นคันทะ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 วิปากะปัจใจมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีก้าวาระทุกปัจใจมีปัจใจและก้าวาระยี่สิบเจ็ดคันธนิยะทุกกะสี่สิเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ และที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยและห้าวาระยี่สิบปคันถะสัมปยุตต ท, ทุกกะสี่สิบสองสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตเตียคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุตเตี่ยคันถะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจักคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุจเรคคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุจเรคคันทะและที่มีวิปยุจักคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุจเรคคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจักคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปยุจักคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธเดยกคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักขันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธเดยกคันทะและที่ไม่วิปวิจักขันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักขันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธเดยกคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธเดยกคันทะและที่มีวิปวิจักขันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่วิปวิจากขันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธด้วยขันธะและที่ไม่วิปวิจากขันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยขันธะและที่ไม่วิปวิจากขันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่สัมปยุทธ์ด้วยขันธะและที่ไม่วิปวิจากขันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีกลาววาระอาริมณะปัจจัยมีหกวาระ อธิปติปัจใจมีเก้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงภวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจใจเพึงขยายให้พิจารณายี่สิบเก้าคันทะคันธนิยะทุกกะสี่สิบสามสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันทะและที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันทะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ เกิดข <Hani> ึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มิใช่ Battery. ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะและที่มิใช่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะมิใช่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะและที่มิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะ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 มิใช่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสามสิคันธะคันธะสัมปยุตตทุกกะสี่สิบสี่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันธะและที่ไม่วิปยุจจากคันธะ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะและที่ไม่วิปวิจักคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตัปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักคันทะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะและที่ไม่วิปวิจักคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะไม่วิปวิจักคันทะและที่ไม่วิปวิจักคันทะไม่ใช่ไม่เป็นคันทะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะ และที่ไม่วิปวิจักขันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักขันถะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นคันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักขันถะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันถะและที่ไม่วิปวิจักขันถะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักขันถะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่วิปวิจักคันธะและที่ไม่ใช่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะไม่วิปวิจักคันธะและที่ไม่วิปวิจักคันธะไม่ใช่ไม่เป็นคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะไม่วิปวิจักคันธะและที่ไม่วิปวิจักคันธะไม่ใช่ไม่เป็นคันธะอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันธะ ไม่วิปวิจักคันถะและที่ไม่วิปวิจากคันถะไม่ใช่ไม่เป็นคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาสามสิบเอ็ดันถะวิปยุตตะคันธนิยทุ ก, กะสี่สิบห้าสภาวะธรรมที่วิปวิจักขันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะ อาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากคันธะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากคันธะและไม่เป็นอารมณ์ของคันธะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากคันธะไม่เป็นอารมณ์ของคันธะและที่วิปิยุจากคันธะไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันธะ อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากคันทะ ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะและที่วิปยุจจากคันถะมิใช่ไม่เป็นอารมณ์ของคันถะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิสดารคันถะโคจกะจบ สิบสองถึงสี่สิบเก้าโอค่าทุกกะเป็นต้นสี่สิบหกและถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโอคะและถึงอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะการระบุข้อความในโอค่โคจกะและโยคะโคจกะเหมือนกับการระบุข้อความในอาศวะโคจกะสี่สิบเจ็ดอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นนิวรณ การระบุข้อความในนิวรณโคชกะเหมือนกับการระบุ ข, ข้อความในสัญโยชนะโคชกะนิวรณโคชกะจบห้าสิบถึงห้าสิบสี่ประมาณสาธุกะเป็นต้นสี่สิบแปดสภาวธรรมที่มีเป็นปรามาตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึง วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ 49. สภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามารเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระห้ 50. สภาวธรรมที่มีสัมพยุทธ์ด้วยปรามารอาศัยสภาวธรรมที่มีสัมพยุทธ์ด้วยปรามารเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอรมณปัจจัยมีสองวาระและถึงวิปากปปจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระห้าสอสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามาตและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุ u, ปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามารและที่ไม่ใช่ไม่เป็นปรามารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามารและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามารไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามารและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามารไม่ใช่ไม่เป็นปรามารอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามารและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามารเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตยอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตยและที่ไม่ใช่ไม่เป็นปรามาตยเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตยอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นปรามาตยไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตยและที่ไม่ใช่นิพเป็นอารมณ์ของปรามาตยไม่ใช่ไม่เป็นปรามาตยเกิดขึ้นพระเหตุตุปัจ ย่อเหตุปัจจ um ัยมีห um ้าวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้วาระ52สภาวธรรมที่วิปยุจจ์ปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจ์ปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจ์ปรามาตและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต อาศัยสภาวธรรมที่วิปิยิจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิวิจากปรามาตไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตและที่วิปิวิจากปรามาตไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวิจากปรามาตและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิวิจากปรามาตและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาต อาศัยสภาวธรรมที่วิปิวจากปรามาตยและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปิวจากปรามาตยและไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตยอาศัยสภาวธรรมที่วิปิวจากปรามาตยไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตยและที่วิปิวจากปรามาตยไม่ใช่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามาตยเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระ และถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระประมา จ, จากพจกะจบห้าสิบห้ารารามณทุกะห้าสิบสามสภาวะธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เก <en> ิดข <Thirty> ึ <Putin. S 2> <enta> ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้และที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้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 และที่ไม่ใช่รับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมี9้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีหวาระละถึงอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอสิวะณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารณาห้าสิบหกจิตตทุกกะห้าสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตและที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที يل, tulee, ่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตและที่ไม่ใช่ไม่เป็นจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละห้าวาระห้าสิบเจ็ดเจตสิกะทุกกะ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรร ม, มที่ไม่ใช่ไม่เป็นเจต adjusting. สิกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกและที่ม่ใช่ไม่เป็นเจตสิกอาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกและที่ไม่ใช่ไม่เป็นเจตสิกเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีเก้าวาระและถึงปุเรชาติปัจจัยมีห้าวาระ อาศัยวัณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารณาห้าสิบปดจิตตสัมปยุตตทุกกะห้าสิบหกสภาวธรรมที่มีสัมปยุตด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่มีสัมปยุตด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทารูปอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้น สภาวธรรมที่ไม่วิปยุจจากจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่จัมปยุจด้วยจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สัมปยุจด้วยจิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นจิตเกิดขึ้นจงธรำเพียงปัจจนิยาทุกขะให้เป็นอย่างละเก้าวาระเพื่อเพิ่มธรรมที่ยังไม่ได้กล่าวถึงไว้ให้บริบูรณ์เหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระ ละถึงอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงปุริชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเจวนะนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระห้าสิบเจิตสังสัทธุกะห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่รักคนกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รักคนกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหกสิบจิตสมุทฐานะทุกกะห้าสิบแปดสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่มีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระละถึง ปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระอาเสวนาปัจจัยมีห้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระหกสิบเอ็ดจิตตสหภูทุ ก, กะห้าสิบเกสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีห้าวาระ อาศัยวัณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหกสิบสองจิตานุปริวัติทุกขะหกสิบสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เป็นไปตามจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระหกสิบสาม จิตตสังสัทธสมุทฐานทุกกะหกสิบเอ็ดสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ระคกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจยัยย่อเหตุปัจจัยเมียกลาวาะและถึงอวิคตะปัจจัยเมียกล า, าระหกสิบสี่จิตตะสังสัทธะสมุทฐานะสหภูทุกกะหกสิบสอง สภาวธรรมที่ไม่ใช่รักคลกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่รักคลกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยจมียก้าววาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีก้าววาระ65จิตตสังสัทธะสมุทฐ า, านานุปริวัติทุกละ63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 หกสิอาแชติกะทุกะหกสิบสี่สภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายในเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นภายนอกเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ในปฏิสนทิขณะกระตัตรารูปที่เป็นภายในอาศัยจิตเกิดขึ้นย่อเหตุตุปัจจัยมีห้าวาระ อารามณปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิดารณาหสิเจดอุปาทายทุกะหกสห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูป เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปและที่ไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทัยรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอุปาทัยรูป และที่ไม่ใช่ไม่เป็นอุปาทายรูปเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอาสิวนะนปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระหกสิบแปดอุปาทินนทุกกะหกสิบหกสภาวธรรมที่ไม่ใช่คำอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือ อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือพระเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถืออาศัยสภาวธรรมที่มิใช่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือ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 และที่มิเชกกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอาเซวนะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิจาราเมหันตระทุ ก, กะจก